พระอนาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์และผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลรวมกับปุตุชนเป็น9ก้าประเภทตรัสว่าบุคคลก้าประเภทเป็นผู้ควรของคำนับเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมคือพระอริยะบุคคล8กับโคตรภู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 ชื่อว่ายังมีเชื้อเหลือบาลีว่าสอุปาทิเศษามีเชื้อคือกิเลสเหลือได้แก่พระอนาคามีห้าประเภทพระสกัทธาคามีหนึ่งพระโสดาบันสามรวมเป็นเก้าพระมหากติตะถามพระสาวรีบุตรว่าคนประพฤติปรมจันทร์เพื่อกรรมอย่างนั้นอย่างนี้หรือ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 เพื่อฟังธรรมะและข้อ9ไม่ยินดีภาสิทธิ์ของภิกษุนั้นสำหรับฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสแสดงอุโบสถประกอบด้วยองค์9ว่ามีผลมากมีอานิสงมากคือพิจารณาองค์8ว่าได้ทำตามอย่างพระอรหรันดังข้อความในบทก่อนโดยเพิ่มข้อ9ว่าพิจารณาว่า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 สองสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นเทพพวกรมผู้เกิดด้วยปฐมฌานสสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันได้แก่พวกอภัสรรรมสี่สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกสุภกินนาหพรมห้า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 ตรัสแสดงอนุปปานิโรธคือความดับโดยลำดับ9อย่างคือภิกษุผู้เข้าปฐมฌานความกำหนดหมายในอามิตรดับนอกจากนั้นเหมือนข้อ2ถึง9ของเรื่องอนุปุภสังขารานิโรธที่แปลไว้แล้วตรัสแสดงอนุปพภะวิหารธรรมะเป็นเครื่องอยู่โดยลำดับ9อย่าง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 เมื่อเข้าสัญญาเวทายตานิโรธก็ชื่อว่าทำมานให้ถึงที่สุดมานก็จะไม่แลเห็นและชื่อว่าค้ามผลตัญหาได้ในโลกตรัสถึงภิกษุผู้หลีกออกจากหมูบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุรูปฌานอารูปฌานและสัญญาเวทายตะนิโรธเหมือนพญาช้างใหญ่ในปา่าหลีกตัวจากหมูอยู่ตามลำพังฉะนั้น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 จึงขอให้แสดงเนคข ม, มะให้ฟังพระอานนท์จึงพาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์จึงตรัสเล่าถึงพระดาริและการกระทําของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่ได้ตรัสรู้ที่ทรงยกจิตให้ทรงขึ้นเป็นชั้นชั้นจากกามขึ้นสู่เนคข ม, มะและรูปฌานสี่อรูปฌานสี่กับสัญญาเวทะยิตานิโรธเป็นที่สุด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 อนุปุพภะปัสสถิคือความระ ง, งับโดยลำดับนิโรธความดับอนุปุพภะนิโรธความดับโดยลำดับโดยอธิบายถึงการที่พิกษุเข้ารูปฌานสี่อรูปฌานสีว่าเป็นโดยอ้อมและเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธว่าเป็นโดยตรง ตรัสว่าบุคคลละธรรมะเก้าอย่างไม่ได้ไม่ทำให้แจ้งคือบรรลุอรหัตผลได้แก่ราคะโทสะโมหะโกทะคือกโกรธอุปนาหะผูกโกรธมักขะลบหลู่บุญคุณท่านปลาสะตีเสมออิสาคือริษยามัชริยะคือตรณีส่วนฝ่ายดี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 มีราคาเป็นต้นจบพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่23าชุมนุมธรรมะที่มีเจ็และ9ข้อ